บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องอวิชชาซึ่งเป็นสังโยชน์ข้อสุดท้ายและเป็นต้นข้าวที่มาของสัพเพเกียรติทั้งหลายที่มีชื่อต่างต่างทั้งชั้นหยาบชั้นกลางและชั้นละเอียด ในภาคของการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเป็นการเพิ่มพูนปัญญาหรือเพิ่มพูนศรัทธาขึ้นมาโดยดังดังปริมาณของศรัทธาและปริมาณของปัญญาที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะทมหน้าที่ลดความไม่รู้ลงไปแต่แนวของศรัทธานั้นจะอาศัยความเชื่อ ในบุคคลที่ควรเชื่อคือองค์พระพุทธเจ้าเป็นหลักไว้ในด้านของปัญญานั้นเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในองค์พระพุทธเจ้าในพระธร ร, รมในพระสงค์ในไตรสิกขาและสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติจนสัมผัสผลจากการละกิเลส การสร้างความดีด้วยใจของตัวเองมันมีลักษณะคล้ายๆกับบุคคลที่รับประทานอาหารรู้รสชาติของอาหารแล้วก็ติดใจในรสชาติอาหารนั้นแล้วก็พยายามรับประทานต่อไปแม้จะไม่มีก็โขนขวายแสวงหามารับประทานผู้ปฏิบัติธรรมะก็จะมีลักษณะอย่างนั้น เมื่อได้สัมผัสผลการละบาปการมาเป็นบุญด้วยใจของตนเห็นความสุขความสงบความยเยือกเย็นจะเกิดขึ้นจากการลดไปของกิเลสก็เป็นเดชได้มีความกระตือร้รนที่จะสัมผัส ผ, สผลในลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็จะมีความเพียรพยายามต่อไปโดยลำดำําดับในเรื่องของอวิชชาที่ เราโดยสรุปก็คือความไม่รู้ในเรื่องของอริสัตยสเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องทั้งอดีตอนาคตและเรื่องกฎของเหตุผลที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาอิตภาษาบาลีจะเรียกว่ากฎแห่งปฏิจจสมุปบาทรือกฎของปัจจัยการเป็นการที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย คือเราหาคำตอบไม่ได้เพราะมันเป็นกระบวกนการมีลักษณะทยอยกันไปเป็นคลื่นคลื่นแต่ละคลื่นนั้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างคลื่นทยอยกันไปเรามองไปที่ทะเลจึงเห็นคลื่นอยู่ตลอดระยะเวลาแต่ในแง่ความไม่จริงแล้วคลื่นนั้นก็เกิดดับเกิดดับ เพียงแต่ว่าก่อนจะดับเขาก็สร้างคลื่นใหม่ขึ้นมาแทนเลยก็มองแล้วคล้ายๆจะมีคลื่นอยู่ปกติชีวิตของบุคคลเราที่ผ่านกระบวนการของเกิดแก่ตายแต่บุคคลทั้งหลายนั้นประกอบด้วยวิชาทั้งชั้นหยาบชั้นกลางและชั้นละเอียดสื่นเย็นว่าในชั้นหยาบจริงๆ ก็จะมองการเกิดตัวไม่ใส่ใจว่าเกิดเป็นอะไรแต่ขอใได้เกิดก็แล้วกันตัวเองก็มีความชอบใจมีความพอใจในการเกิดเหล่านั้นก็แสดงว่าวิชาเหล่านี้ก็มีความมืดบอดอยู่มากและเ ป, เป็นเหตุให้คนอื่นสะดื่นเกิดด้วย ซึ่งไม่ได้มองเห็นภาระมองเห็นปัญหาที่ตนจะต้องรับจากการพอใจยินดีในลักษณะนั้นในประการที่สองมองเห็นโทษของความเกิดในบางระดับแต่ในขณะเดียวกันก็พอใจยินดีในการเกิดอยู่ข้อนี้ผู้สังเกตว่า กานนรศึกษาการประพฤติปฏิบัติธรรมะระดับศีลธรรมจัญญาของบุคคลทั้งหลายคือศาสนิกในศาสนาต่างๆนั้นก็มุ่งผลนอกจากความสุขที่ตนจะได้จะมีจะเป็นในปัจจุบันแล้วก็มุ่งผลคือความสุขในชาติต่อไปด้วยยงในศาสนาพราหมณ์ก็ขออยู่รวมกับพระพรมธศาสนาอิสลามก็ขอรับใช้ อันเละสาสนาคริสตก็ขออยู่ใกล้ชิดกับพร ะ, ประพป็นจเจ้าก็แสดงว่าปรารถนาการเกิดเพียงแต่ว่าเกิดดีขึ้นสุขมากขึ้นมีอายุยืนนานมากขึ้นใกขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการเกิดนั่นคือไม่ต้องการตกนรกซึ่งมีการสอนอู่ทุกศาสนา ก็พยายามปฏิบัติตามาศาสนธรรมตามคำสั่งของศาสด า, าของพระผู้เป็นเจ้าในาศาสนาที่ตนนับถือซึ่งทั้งหมดนั้นในชั้นนี้ก็ต้องการที่จะให้บุคคลหนีการเกิดบางระดับคือไม่ถึงก็หลุดพ้นจากทุกข์คือความเกิดแต่เกิดอีกบางระดับหนึ่งซึ่งมีทุกข์น้อย ช่นมีข้อปฏิบัติในงดเว้นจากบาปที่หยาบจาบรุนแรงเพื่อไม่ต้องตกกระบายคือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นสัตว์ดิรกชานเพราะทุกข์มากเลวเกิดในขณะเดียวกันถ้าหากกบุญกุศลยังไม่มากพอต้องเกิดเป็นมนุษย์ก็ขอให้มีฐานะดีๆหน่อย เกิดมามีสุขภาพพลารณาไมยดีในสกุลที่ดีมีสุขภาพพลารนาไมยดีรูปร่างหน้าตาดีสติปัญญาดีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจดีสังคมดีการเมืองดีก็เป็นการตั้งความปรารถนากันในสมัยโบราณนั้นจะใช้คาว่าเกิดเป็นกษัตริย์มหาสารพระมหาสารครืบรามดีมหาสาร แต่ละคนนั้นที่จริงก็เน้นไปที่สถ า, านะทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองของบุคคลเหล่านั้นก็แสดงว่าเราไม่ถึงหลุดรอดจากความเกิดเพียงแต่ว่าเกิดดีขึ้นในขณะเดียวกันก็มีคำสอนระดับที่ให้ความรู้คือกระจัดอวิชชาแต่ไม่ใช่หมดเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างทางแห่งสวรรค์ บังเกิดในสุคติในการเพิ่มปริมาณความดีสูงขึ้นเราได้ความชั่วมากขึ้นจิตวิญญาณมีความอิสระสูงขึ้นและทำให้หลุดรอดจากการต้องเกิดเป็นมนุษย์ก็บังเกิดเป็นเทพแต่บางทีก็ใช้ปัญญาเพิ่มขึ้นกว่านั้นกระจายอวิชชาได้มากกว่านั้น แต่ไม่ใช่หมดเหมือนกันก็ทําให้มีการบังเกิดเป็นพรหมระดับรูปประพรหมระดับอ ร, รูปประพรหมซึ่งมีความประนีตขึ้นเป็นลําดับทั้งหมดนั้นจะเห็นว่าขาจัดอวิชชาอย่างไม่หมดแต่วิชาก็จางลงไปมากทําให้จิตวิญญาณมีความประณีตมีความสงบสูงขึ้นภบชาติที่ตนุบัตก็ ดีขึ้นแต่บางคนมีคำสอนปฏิบัติคำสอนในระดับที่มองเห็นชีวิตเหมือนกับเรือนที่ถูกไฟไหม้ซึงกำลังจะแตกทำลายอยู่เรามารอดแล้วก็จะรีบเร่งขนขวายดึงเอาของที่สามารถขนออกมาได้จากเรือนซึ่งกำลังจะถูกไฟไหม้ นั่นคือสอนในที่เปล่งประพฤติปฏิบัติความดีและต้องการที่จะหลุดรอดจากสังสารทุกข์คือไม่ต้องการจะเกิดอีกแล้วเพราะเกิดมา่กี่ชาติปมก็ทุกข์เท่านั้นตั้งแต่เราเกิดมาในโลกนี้เราเห็นเด็กรุ่นต่างๆที่เกิดขึ้นมา เราเคยทุกข์อย่างไงคนเหล่านี้ก็เคยทุกข์อย่งงางนั้นก็มาประสบทุกข์เช่นเดียวกันและคนที่เกิดมาก่อนเราก็เป็นทุกข์อย่างนั้นคนที่จะเกิดต่อไปแม้เราตายไปแล้วเราต้องไปเกิดอีกเพวกก็เป็นอย่างนั้นที่พระเจ้าทรงใช้คาดุกขาชาติปุณณ์ปุณณ์การเกิดบ่อยๆพวกมันทุกข์บ่อยๆเป็นทุกข์ซ้ำซ้ำซากซากทุกข์แล้วทุกข์อีก แก้ปัญหาการไม่รู้จักจบจากสิ้นท่นี้ท่นั้นมันสืบเนื่องมาจากความเกิดสืบเนื่องมาจากกิเลสแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเอาขนาดสืบเนื่องมาจากความเกิดคือไม่จําเป็นจะต้องไปสาวลึกไกลไปถึงกิเลสในการพูดระดับของขตุกษะและคนนี้ก็ไม่พอใจในการเกิด หรือบางทีก็ไม่พอใจในการเป็นเึงลองสังเกตว่าความเป็นนั้นที่จริงเป็นทางมาแห่งความทุกข์เพิ่มภารกิจเพิ่มปัญหาเพิ่มความยุ่งยากความสลับซับซ้อนที่จะต้องหลงแลแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลกถ้าวิชามันมีอยู่มากเนี่ยคนจะไม่มองในจุดนั้นได้รู้สึกว่าตนได้ใหญ่ได้เด่นได้ดัง ไปให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไปไหนคนก็ห้อมล้อมรู้สึกว่าใหญ่โตแต่ถ้าเรามองลึกๆเราจะเห็นว่ากินก็ไม่เป็นเวลานอนก็ไม่เป็นเวลาจะข้าวห้องน้ําห้องถ่าก็ไม่เป็นอิสระแก่ตัวเองสูญเสียวความเป็นตัวของตัวเองที่จริงมากไปได้วยปัญหามากไปได้วยความทุกข์แต่มุงมองตัวนี้มันก็อยู่ที่อวิชามากหรือว่าวิชามากขึ้น ถ้าความรู้มากขึ้นมันก็จะมองเห็นเหตุผลในด้านต่างๆและนำมาเปรียบเทียบกันอย่างที่พระเจ้าทรงสแสดงว่าการมนั้นมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากมันไม่ใช่ถึงกับปฏิเสธว่าไม่มีสุขเลยแต่ถ้าเราเทียบเคียงเป็นเปอร์เซนต์กันดูแล้วเนี่ยสุขจะน้อยกว่าทุกข์ ือทุกข์จะมากแล้วความสุขที่เกิดขึ้นจากอะไรก็นแต่จะสุขที่เกิดขึ้นจากการดูรูปสวยๆดูการแสดงดูการเล่นต่างๆในกระบวนการเหล่านั้นว่าเราจะได้เงินมาแล้วก็ไปดูการแสดงการเล่นเหล่านั้นได้ ต้องทนทุกยากลำบากอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานมากว่าจะได้เงินจำนวนนั้นแม้เราไม่ทำผู้ใหญ่ก็ท่านก็ทำแล้วในขณะที่ไปยืนดูต้องปวดต้องเมื่อยต้องทนเอาหมดเลยกรารอุจจาระกรารปัสสาวะเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง แต่มีการเต้นการเล่นอะไรกันมากมาถึงก็โทมไปเลยก็ต้องลงว <พา S 1> <า>่าความสุขมันก็มีนิดหน่อยแต่ความทุกข์นั้นมากกว่าเรงนี้ก็อยู่ที่การมองของท่านเหล่านั้นว่าท่านจะมองเห็นในแนวใดอย่างตัวอย่างที่ท่านกล่าวถึงพระเตมีโพธิสัตว์ที่เกิดมาถึงก็ลึกชาติได้ พระชาตก่อนท่านก็เคยเป็นพระราชาในบ้านนี้เมือง น, นี้แล้วก็อยู่ที่ปราสาทหลังนี้แหละแต่หลังจากเป็นพระราชาไปแล้วได้ทำบาปทํากรรมไปมากตายไปก็ตกนรกประสบความทุกข์ทรมานมากเหลือเกินหลุดรอดมาจากนรกมาเกิดตรงนี้อีกล่ะถ้าท่านขืนเป็นพระราชาต่อไปท่านก็ย้อนกลับก็สู่นรกอีกล่ะ พันท่านไม่ต้องการที่จะเป็นจะทํายังไงจึงจะไม่เป็นได้เพราะท่านก็เป็นราชทายาทที่จะต้องเป็นประมหากษัตริย์เลยก็ทําตัวเองเป็นคนไบ่านตะไม่ยอมพูดมจมนจาอะไรปุถุนทั้งหลายไม่ไปคาดหวังที่จะให้ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองราชในบ้านเมืองต่อไป นั่นแสดงว่าจิตใจก็หน่ายในภบหลักมนในการเกิดถึงแม้ในการเป็นเป็นพระราชาคือใหญ่ที่สุดในแผ่นดินตรงนั้นในบ้านนั้นเมืองนั้นแต่คนที่มีปัญญามากมีวิ ช, ชามากเขามองเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นการแบกทุกข์เป็นการแบกบาปกรรมของบุคคลอื่นและต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำบาปต่างๆอีกเป็นอันมาก ซึ่งก้อนนี้จะเห็นว่าเป็นการมองจากตัวที่เราเป็นถ้าคนมีปัญญามากก็จะมองอีกแบบนึ่ถึงลักษณะลงนี้แนวของพระโพธิสัตว์มันเหมือนกับสมัยตั้งแต่เป็นสุมเมธมานุซึ่งประวัติโดยสรุปว่าท่านเป็นลูกโขนของสกุลที่รับมรดกสืบต่อกันมาสามชั่คนคือตั้งแต่ทวดท่าน มโมดุกทั้งหลายมันก็วิ่งมาสายเดียวจาทวดมาถึงปู่จากปู่มาถึงพ่อจากพ่อก็มาถึงท่านเป็นทรัพย์สมบัติสามชั่วคนมาตกกั่คนรุ่นเดียวคนคนเดียวจํานวนจึงมหาศาลมากๆก็เรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีในพิษตาเดียวแต่แต่ที่ท่านจะชื่นชมยินดีกับการได้ทรัพย์สินจํานวนมาากเช่นนั้น คนมีปัญญากลับมองอีกอย่างหนึ่งเพราะบรระชนของตนทั้งสามรุ่นตั้งแต่ทวดมาเป็นคนไม่ฉลาดเหนื่อยยากลำบากตรักตราในกิจการงานต่างๆเสร็จแล้วก็มาเก็บรวบรวมสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น แทนที่จะเป็นนายบังคับใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นก็ต้องเป็นทาสรับใช้สิ่งเหล่านั้นแม้จะเก็บงำไว้ย่างดีแล้วก็เป็นห่วงเป็นใ ย, ยนอนก็ไม่ค่อยหลับมีความวิตกกังวลกลัวขโมยจะเข้าบ้านกลัวจะถูกปล้นกลัวจะถูกริบกลัวอันตรายต่างๆจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สบัติของตนนอนอุ้มกองทุกข์อยู่จนตาย แต่แล้วทรัพสมบัติเดล่านั้นก็นาอะไรไปไม่ได้เป็นสมบัติของโลกเป็นสมบัติติดโลกเป็นโล ก, กีย์ทรัพย์คือทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกนี้คนมาเกิดโลกนี้มีสิทธิใช้ความเปลียนปยายามของตนเองสแสวงหามาแต่ก็ใช้สอยได้แต่ก็ไม่มีสิทธินำกลับไปเขาก็มาอย่างที่มาเขาก็ไปอย่างที่เขาไป คนเราอาจจะกำ ม, มือมาแต่ต้องแ บ, บมือไปแสดงว่าไม่มีใครเอาอะไรไปได้นั้นท่านยังคิดที่จะนําบุญกุศลนั้นไปด้วยนําทรัพย์สมบัติดันนั้นไปด้วยแต่ก็แปลงเป็นบุญกุศลพระบุญกุศลนั้นจะเหมือนกับวิชาความรู้ที่เราศึกษาและเรียนเขาอยู่กับเราตลอดและตัวความไม่รู้ก็อยู่กับเราตลอด เช่นสมมติว่าเราไม่รู้เรื่องใดเรื่องหนึง่งแล้วไม่เคยสอบถามไม่เคยศึกษาความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นความไม่รู้เหล่านั้นมันก็อยู่กับเราไปที่ไหนต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่รู้เราก็ทำไม่ได้ตลอดในส่วนของความรู้ก็เหมือนกันก็อยู่กับเราก็ไปกับเราและเราก็ใช้เขาได้ตลอด บุญกุศลก็เป็นเช่นนั้นบาปอกุศลก็เป็นเช่นนั้นเป็นสมบัติที่ติดตัวแต่บาปนั้นจะสร้างสมบัติจะสร้างความสมบูรณ์ให้บุญนั้นจะสร้างความบิบัิจะสร้างความเดือดร้อนให้อย่างที่ทรงแสดงโดยสรุปรวมว่าทำและอธรรมอํานวยผลไม่เสมอกัน ทำนำไปสู่สุกสุคติอาธรรมนำไปสู่ทุกคติหมายความความดีนำไปสู่ความสุขความเจริญความชั่ว น, นำไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะสิ่งที่ท่านจะเอาไปในข่าวนั้นก็คือบุตรก็ตัดสินใจสละทรัพย์สมบัติดังนั้นแจกแบกให้แก่ฆาตาทาปริวานเพื่อไปตั้งเนื้อตั้งตัวแจกแก่คนยากจนขัดสนานาถาหมอบให้แก่ แผ่นดินคือแก่ประชาชนเพื่อเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินแล้วตัวเองก็ออกบวดข้อนี้จะเห็นว่าเป็นปฏิปทาเป็นหลักการดำเนินชีวิตของบุคคลที่อวิชชาพันจางลงความรู้ก็เพิ่มขึ้นเรื่องที่คนอื่นเขาโลภต้องยื้อแย้งต้องเียนฆ่าทำลายล้างกันจนตายกันไม่รู้สักเท่าไหร่ ท่านกลับไม่ยินดีกลับสลัดชิ้งโดยไม่เยื่อใ่ไม่อ่ไหลในสิ่งเดอด น, นั้นแล้วก็ อ, อยู่กับการมองดังกล่าวแล้วและพื้นฐานในการมองก็คือคุณภาพของจิตวิญญาณของบุคคลเดอด น, นั้นอย่างตัวอย่างพระธรรมธินาเทรีภิกษุณี เป็นปัญญาของวิสาขะอุบาสกวิสาขะอุบาสกไปความงธรรมเทศนาในสนาํานักของพระพุทธเจา้าได้บรรลุมรรคผลเป็นพระนาคามีบุคคลเป็นพระยบุคคลชั้นที่สามตันดับกิเลสประเภทสังโยชน่าประการข้างต้นได้คือลาความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นพวกเราพวกเขาจนถึงแบ่งฝ่ายรบ ก, กันเองได้ ประจัดความเครียบแครงสงสัยในเรื่องของพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ในตรายสิกขาได้ไม่ถือการประพฤติปฏิบัติที่งม ง, ง, งายร้ายเหตุผลจนถึงทะเลาะวิวาสการพรเรื่อหด่านี้ได้วความคิดแม้แต่หงุดหงิดจำคาญจากการกระทำของบุคคลอื่นนันก็ละได ความกำนัดความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นที่ใคร่ปรารถนาพอใจของชาวโลกนั้นท่านก็ละได้เด็ดขาดท่านแม้จะเป็นคารวะอยู่ที่บ้านที่เรือนก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวเป็นการรักษาพรหมจรรย์คือศีลแปดนั้นบริบูรณ์พอมาถึงท่านก็มอบทรัพย์สมบัติให้นางอุนางธรรมธิตนา จึงเป็นพัญญาบอก่าทราบสมบัติทั้งปว ง, งขอมอบไปเธอทั้งหมดเธอจึงใช้สอยปริโภคหรือจะทำเมองไรก็ตามตามใจสบายถ้าคนอื่นคงดีใจมากว่านิ่งๆสํานวนปัจจุบันเขาเรียกว่าส้มหลน่นก็ไม่ใช่ส้มแล้วมันใหญ่กว่าส้มแต่ว่านางกลับมีความรู้สึกว่าการที่สามีทำเช่นนั้น มันเหมือนกับสามีโถมน้ำลายแล้วให้แกเอาศีรษะไปรับน้ำลายที่สามีโถมลงมาแกไม่เอาด้วยเพราะถ้าคุณจะให้ฉันจริงๆเนี่ยให้ฉันบวชในสำนักของรพระพุทธเจ้าเถอะนั่นคือความคิดเราเห็นว่าเอาก็จริงคิดได้ไปไกลกว่าอุบาสกเสียอีกและในที่สุดท่านก็ได้บวชตามต้องการกลายเป็นภิกษุณีที่มีบุญบทบาทสําคัญเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้น นั่นก็เป็นตัวอย่างถึงใจที่มีพื้นฐานของวิชากับอวิชาความเป็ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าวิชาก็จางอาวิชาก็จางไปมากและมีวิชาอยู่มากมองความเกิดมองความเป็นต่างๆมองทรัพย์สมบัติซึ่งแต่ละอย่างนัานคนชอบแั่น่ง ให้ลองสังเกตว่าเมื่อมีการเกิดเมื่อถึงวันเกิดคนจะมีความชื่นชมยินดีสนุกสนานเฉลิมฉลองมีลูกหลานเกิดก็แห่กันไปยิ่ยมเยิดเดียวดีใจกันเป็นการใหญ่คนชอบเกิดแลด้วจเพิดเพินชื่นชมยินดีในเมื่อทราบข่าวการเกิดของคนอื่นที่เป็นวงศาขนาญาติเป็นพื่อนฝูงเยวชื่นชมกับวันเกิดของกันและกัน ทางทั้งที่วันเกิดที่จริงมันบอกวันแก่ด้วยแล้วบอกว่าใกล้วันตายเข้าไปด้วยบอกถึงความเจ็บที่แฝงเร้นอยู่กับความเกิดความแก่ด้วยแต่คนไม่ได้มองไม่ได้มองที่แก่ที่เจ็บที่ตายแต่มองที่วันเกิดเพราะวันเกิดแต่ละปีที่จริงแน่นอนที่แน่นอนที่สุดก็คือแก่ไปหนึ่งปี แล้วไม่มีการย้อนหวนกลับคื้นมาเป็นหนุ่มได้เป็นหนุ่มสาวเป็นหนุม่มเป็นสาวได้อีกต่อไปทรัพสมบัติทั้งหลายอย่างที่สุมเมตมานบก็ชิงไปก็ดีที่พ ร, ระนางธรรมธินาไม่ยอมรับก็ดีเป็นสมบัติที่ชาวโลกก็ยื้อแย่งกัน ทามมาทำไมยื้อแย่งกันเพราะเขาไม่รู้ความจริงในสิ่งเหียดนั้นบางครั้งยื้อแย่งกันจนไม่มีใครได้มีแต่คนตายภาพเหล่านี้ปรากฏใ้เราพบเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่ไม่มีใครฉุกคิดเฉลียวใจคิดในเรื่องเหล่านี้นั้นแสดงถึงอะไรแสดงถึงอวิชชา ข่าวคราวเกี่ยวกับเพชราอุอาถรเพชรซาอุคนประสบอันตรายจากเพชราอุแพ่หลายกันในที่โดยทัว่วไปคนที่ครอบครองเพชราอุเริ่มสะดุ้งเริ่มหวาดวิตกกังวลเริ่มเห็นจริงเห็นจังตามนั้นแล้วก็มีการคลายออมานั้นแสดงเห็นว่าอิจชาก็เกิดเพิ่มขึ้นแล้ว แต่ก่อ น, นนั้นก็ครอบครองอยู่ได้ด้วยอำนาจของอวิชชาเป็นเวลานั้นรับของโจรปกครองขอครอบครองของโจรมันร้อนมีแต่ความมิตกกังวลเสียสุขภาพกายเสียสุขภาพจิตผ่านการเวลามาด้วยความทุกข์ทรมารถ้าอนี้ที่จึงเป็นตัวอย่างให้เห็นแต่เพราะอาวิชชามากความโลภจึงมาก พระวิชามากความโกรธจึงมากพระวิชามากความริษยาจึงมากตัวอย่างเช่นความโลภที่ท่านเล่าถึงการแก้ปัญหาของนายสมเผลาคนหนึ่งมีใจความโดยสรุปว่าเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกสาวสี่คนพอโตเป็นสาวมีปัญหาหมดทั้งสี่คน คนหนึ่งขี้ชู้คนหนึ่งขี้กินขี้กินคนหนึ่งขี้ขโมยคนหนึ่งชอบยุยงให้คนอื่นก็แตกแยกกันทนไม่ไหวเลยเอาปล่อยลอยแพไปในทะเลนายสมพรเอาขึ้นรับไปขึ้นพวกเธอก็ปรุงแต่งเป็นนิทานมาเป็นที่ดาของกษัตริย์ถูกข้าศึกมาล้อมเมืองจับมาลอยแพ คนนั้นก็พี่นอพี่เทากันเป็นการใหญ่เพราะมีราชธิดาขึ้นอยู่บนเรือทีเดียวทั้งสี่องค์ไปขึ้นไปอยู่บนเรือเธอทั้งหมดก็แผลงฤทธิ์คนนี้ขี้ชู้ก็สร้างปัญหาคนนี้ขี้กินก็สร้างปัญหาคนขี้ขโมยก็ของหายจากหัวเรือไปอยู่ท้ายเรือจากท้ายเรือไปอยู่กลางเรือจากกลางยืเรือไปอยู่หัวเรือท้ายเรือยุงไปหมด คนที่ชอบอยุให้รำตามให้รั่วก็สร้างความแตกแยกขึก้นกับตานก็คิดที่จะแก้ไขเอาคนขี้ชู้มาเป็นพัญญาเนี่ยเอาคนชอบกินให้เป็นแม่ครัวไปคุมที่ครัวเอาคนชอบขโมยให้ดูแลสินค้าทั้งหมดในเรือก็ปรากฏว่าแก้ปัญหาได้สามคน แต่คนที่ชอบยุให้รำตามไม่รู้นั้นแก้ไม่ได้ต้องจับโยนทะเลต่อไปลอยทะเลต่อไปค้วนี้เราจะเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนก็ได้คำตอบไอ้คนที่ลอบหรืชอบขโมยไม่รู้จะขโมยออกไปไหนเพราะมันอยู่ในเรือขโมยไปขโมยมามก็อยู่ในเรือนั่นเอง แต่ว่าความผิดนั้นอยู่ที่ตัวทรัพย์สมบัติที่คนทำชั่วได้มาก็มีลักษณะอย่างนัน้ทำไมแล้วทรัพย์สมบัตินั้นก็อยู่ในโลกอาจจะเปลี่ยนมือไปจากมือเราไปสู่คนอื่นแต่สรุปว่ามันก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได้ติดตัวเราไปแต่ว่าบาปซึ่ง เป็นเหตุให้เราทําความชั่วเพื่อได้มาถึงทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวแต่วิชายังอยู่มันก็ทําไปเรื่อยแต่ถ้าวิชาจางลงมันก็จะมีเหตุผลดมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของริษยาในความดีของบุคคลอื่นถ้าเราปัญญาเกิดขึ้นว่าเราริษยาใครริษยาเพราะอะไรริษยาไปแล้วนี่เราจะได้อะไร การริษยานั้นจะ ร, ริษยาในการได้ดีของบุคคลอื่นคนที่ริษยาคนอื่นนั้นนอกจากจะสูญเสียเวลาต้องมาริษยาแล้วสุขภาพกายก็เสียสุขภาพจิตก็เสียเวลาก็เสียมันมีแต่เสียเพิ่มขึ้นไม่มีได้อะไรเลยคนได้เขาก็คงได้แต่เราแทนที่จะเสียให้น้อยลงก็กลับเสียเพิ่มขึ้น นี้แสดงว่าวิชาก็เกิดขึ้นได้ระดับเดิมว่าหยุดความริษยาลงไปได้แต่ถ้าไม่เกิดมันก็ริษยาต่อไปในสุดมันก็จุดไฟขึ้นเผาหล่นจิตใจของตนเองไปเรื่อยๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความส ง, งบสุกต่อไป